มัจิมะปัญนาตอุปาะวักหมดว่าด้วยความเข้าถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความเข้าถึงในที่นี้หมายถึงเข้าถึงขันห้าด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิความเข้าถึงไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึง เป็นความหลุดพ้นวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไัยบู์ได้และโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและโดยที่สุดวิญญาณที่เข้าถึงสังขาร เมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพยบณ์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติการมาการไปการจุดติดการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพูบณ์แห่งวิญญาณ เว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีและโดยในยะเดียวกันถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุและโดยที่สุดในวิญญาณธาตุ ภิกษุละได้แล้วเพราะลากความกําหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูญที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแตง่งหลุดพ้นเพราบหลุดพ้นจึงตั้งมันเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับไปเอง ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรั์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพีชัดสูตรอุปมาด้วยพืชเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พืชสี่ชนิดนี้คือพืชเกิดจากเงาเกิดจากลำต้นเกิดจากตาเกิดจากยอดและเกิดจากเมล็ดก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแกนสารถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืชห้าชนิดนี้จะพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้หรือไม่ ทูลตอบว่าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักเป็นต้นนั้นถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบณ์ได้หรือไม่ทูลตอบว่าได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณทิฏฐี ในที่นี้คือขันธ์สี่ได้แก่รูปเวทนาสัญญาและสังขารเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณที่ติสีเหมือนปัตวีธาตุพึงเห็นความกำนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุพึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชห้าชนิดวิญญาณพร้อมด้วยอาหารหมายถึงกรรมวิญญาณ ได้แก่วิญญาณที่สหรัตคติด้วยตัณหาและทิฏฐิที่มีความแปรผันเป็นอารมณ์พร้อมด้วยปัจจัยมีอวิชชาและอายนิโสมณสิการเป็นต้นวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นทิ่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอบงามไพบู์ได้ วิญญาที่เข้าถึงเวทนาสัญญาและสังขารก็เช่นกันภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัตหรือความเจริญงอกงามภัยบู์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาและสังขารภิกษุทั้งหลาย ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเระละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดสูญที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุก็เช่นเดียวกันถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วระละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดดเพราะสันโดดจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาสินา้นแล้วหลุดพ้นแลว้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุทานาสูว่าด้วยการแปลงอุทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคทรงแปลงอุทานว่าภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมี แม้บริหารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมมาสังขารคือการปรุงแต่งกรรมจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภากิยาสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามดังนี้ว่าถ้าภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนั้น จะพึงตัดโอรัมภิกยะสังโยชน์ได้อย่างไรตรัสตอบว่าภิกษุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป และโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเช่นกันนั้นเธอไม่รู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เทียงไม่รู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เทียง เธอไม่รู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์เธอไม่รู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาเธอไม่รู้ชัดรูปเป็นต้นนั้นที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งตามความเป็นจริงว่าถูกปัจจัยปรุงแตง่ง เธอไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นต้นนั้นจักมีสุนอริยาสาวกผู้ได้สดับฉลาดในธรรมะได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอัตตาเธอรู้ชัดรูปเป็นต้นนั้นที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง รู้ชัดรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้ชัดรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตารู้ชัดรูปเป็นต้นนั้นที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นต้นนั้นจะมีเพราะความไม่มีรูป เพราะความไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณภิกษุนั้นเมื่อน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมมาสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีพึงตัดโอรัมภากยะสังโยชน์ได้อย่างนี้ทูลถามว่า ภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้พึงตัดโอรัมภากิยาสังโยชน์ได้ก็เมื่อภิกษุ ร, รู้เห็นอย่างไรอาสวาททั้งหลายจึงจะสิ้นไปตามลําดับตรัสตอบว่าปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับย่อมสะดุ้งในที่ไม่กวรสะดุง้งย่อมสะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมี ถ้ากรรมมาสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับไม่สะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมมสังขารจักไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่ ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดีที่เข้าถึงสัญญาก็ดีที่เข้าถึงสังขารก็ดีก็พึงเป็นเช่นเดียวกับเรื่องรูปนั้นภิกษุเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจักบัญญัติการมาการไปการจุดตดดการอุบัติหรือความเจริญงอกงามภัยบูนแห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุถ้าความกำหนดในรูปธปาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์และโดยนัยะเดียวกันถ้าความกำหนัดในเวทนาธาต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 จึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งยอมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปตามลำดับ ปาทานปริปวัตนสูตรว่าด้วยอุปาทานะขันเวียนรอบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสวา่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานะขันห้าประการนี้คือรู ป, ปูปาทานะขันเวทนูปาทานะขันสัญญูปาทานะขัน สังขารูปาทานขันและวิญญาณูปาทานขันตราบใดเรายังไม่รู้ชัดอุปาทานะขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ครัง้งตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบแต่เมื่อใดเรารู้ชัดอุปาทานะขันห้าประการนี้ โดยเวียนรอบสี่ครั้งตามความเป็นจริงเมื่อ น, นั้นเราจึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมปวิยานอันยอดเยี่ยมยเวียนรอบสี่ครั้งเป็นอย่างไรคือเรารู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูป และโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเราก็รู้ความเกิดขึ้นความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับของแต่ละประการนั้นเช่นกันรูปเป็นอย่างไรคือมหาพูทธ ร, รูปสีและรูปที่อาศัยมหาพูทธ ร, รูปสีนี้เรียกว่ารูปเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร ความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับแห่งอาหารความดับแห่งรูปจึงมีอาริยามรรคมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิฏินี่แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดความดับ ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วสมณพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติ ด, ดีแล้วชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไปเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง สมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกเวทนาเป็นอย่างไรเวทนาหกประการ น, นี้คือจักขูบสัมผัสสัจชาเวทนาโสตสัมผัสสัจชาเวทนาขานะสัมผัสสัจชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัจชาเวทนากายาสัมผัสสัจชาเวทนา และมโนสัมพัสสัจจาวทนานี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งพัฏฐะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งพัฏฐะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดเวทนาความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเองเวทนาอย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสัญญาเป็นอย่างไรสัญญาหกประการนี้คือรูปสัญญา ความหมายรู้ในรูปสัทธสัญญาความหมายรู้ในเสียงคันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นรสสัญญาความหมายรู้รสพทธาสัญญาความหมายรู้พทธพธรรมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมณ์นี้เรียกว่าสัญญาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยามรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิฏินี่แหละเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาสมณพรามหมณ์เราได้เล่านหานึง่งรู้ชัดการเกิดการดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับของสัญญาอย่างนี้ สมณพราหมเหล่านั้นย่อมเบื่อนายกลายกำหนัดชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วส่วนสมณพราหมเหล่าใดรู้ชัดสัญญาตามความเป็นจริงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อนายกลายกำหนัดสมณพราหมเหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไร คือเจตนาหกประการได้แก่รูปสัญเจตนาสัท ธ, ธาสัญเจตนาขันธสัญเจตนาร r a s a k สัญเจตนาโพธภาษสัญเจตนาและธรรมสัญเจตนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งภัสตาความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งภัตตาความดับแห่งสังขารจึงมี อริยามรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาทินี่แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารแล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายสมณพราหมลนั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดสังขารเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายกลายกําหนัดเพราะดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีวัฏตะเพื่อความปรากฏอีกต่อไป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 และมนโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สมาธิฏิจนถึงสมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ สมณพรามหม์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณสมณพราหมเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นพรอบความเบื่อหน่ายคลายกำนัดรอดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นวิญญาณสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีวัฏตักเพื่อความปรากฏอีกต่อไป สัตตฐานะสูตรว่าด้วยฐานะเจ็ดประการสมัยหนึ่งพระผูมิพระภาคประทับอยู่ณเกศกรุงสวัรีณที่นั้นทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสมวิธีเราเรียกว่า อุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบรมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูป และโดยในยะเดียวกันรู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเช่นเดียวกันนั้นรูปเป็นอย่างไรรูปคือมหาพูทธรูปสีและรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับแห่งอาหารความดับแห่งรูปจึงมี อริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิฏินี่แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปสภาพที่สุขสมณะอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมะเป็นที่กําจัดฉันทราคะ ธรรมะเป็นที่ละจันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสมณพรามหมาลได้หล่าหนึง่งรู้จัดรูปความเกิดแห่งรูปความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว มั่นคงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะพราหม์เ่าใดเหล่าหานึง่งรู้ชัดรูปความเกิดความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบือ่อนายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไปเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะพรามหมลนั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกต่อไปและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะค ว, ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญาจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมี อริยามรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงส ม, มาส ม, มาทิฏเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสภาพที่สุขสมนัสอาศัยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณสภาพที่สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของแต่ละประการนั้นธรรมะเป็นที่กําจัดฉันทราคะธรรมะเป็นที่ละฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นเครื่องสลัดออกของแต่ละประการนั้นสมณะปราโมทย์เหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดความเกิดความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นสมณพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกต่อไปพิกสุชื่อว่าผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการเป็นอย่างนี้พิกสุผู้เพลงพินิษโดยวิธีสามวิธีเป็นอย่างไรคือพิกสุในธรรมวินัยนี้เพลงพินิษเป็นธาต เพลงพินิษเป็นอายตนะเพลงพินิษเป็นปฏิเจสมุบบาทภิกษุชื่อว่าผู้เพลงพินิษฐ์โดยวิธีสามวิธีเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการผู้เพลงพินิษโดยวิธีสามวิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบรมอาจารย์นในธรรมวินัยนี้ สัมมาสัมพุทธสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายประตฐาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกาหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูป บรรดิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายกลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาและโดยในยะเดียวกันในเรื่องเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกัน ในเรื่องนั้นจะผิดแผลแตกต่างกันอย่างไรคือระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญามีอะไรต่างกันภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอให้ทรงอธิบายเนื้อความแห่งพาสิทนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำให้รู้จักทางที่ไกลๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางรู้แจ้งทางฉลาดในทางส่วนเหล่าสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินไปตามทางอยู่เป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แหละเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน ระหว่างพระตถธากฏอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาอนัตตลักขณะสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเกตกรุงพาราณสี ณที่นั้นได้ตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จกเป็นอนั ต, ตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลยอมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธบุคคล ยอมไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นว่าขอเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ขอเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ทูนตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นหรือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทูลตอบว่าข้อนั้นไม่กวนเลยภิกสุบทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน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 เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรงมจันแล้วทำกิจที่กวรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนันตลักษณะสูตรนี้จบแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณะพาสิทินี้อยู่ พระปัญจะวคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นมหาลีสูตรว่าโดยเจ้ามหาลิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิจวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าเป้ากราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกัสปากล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้ามองของสัตว์ตตทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้ามองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เองในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันเจ้ามหาลิทูลถามว่าเหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองนั้นเป็นอย่างไรตรัสตอบว่ามหาลิหากรูปนี้ จักได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะรูปเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเพราะกำนัด จึงถูกรูปผูกไว้เพราะถูกรูปผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้และโดยในยะเดียวกันในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกัน เจ้ามหาลิทุนถามว่าส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นสัตว์ทั้งหลายมีเหตุปัจจัยบริสุทธิ์อย่างไรตรัสตอบว่ามหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุกข์ มีทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้ ในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีสุขส่วนเดียวแต่มีความทุกข์ด้วยสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้ อาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีนัททินั้นแหละทรงแสดงเรื่องนี้ว่ารูปเป็นของร้อนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของร้อนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปในเวทนาในสัญญา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 นิรุตติปัตตสูตรว่าด้วยหลักภาษาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีนทีนั้นและพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหลักการสามประการนี้คือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อและสหลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่เกิดถูกทอดทิ้ง ย่อมไม่ถูกทอดทิ้งและจักไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วหลักสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งรูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติรูปนั้นว่า ได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจากมีในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันสองรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณยังไม่เกิดเป่ยงไม่ปรากฏเรียกรูปเป็นต้นนั้นว่าจากมี ตั้งชื่อรูปเป็นต้นนั้นว่าจักมีและปัญญิรูปเป็นต้นนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกรูปเป็นต้นนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปเป็นต้นนั้นว่าได้มีแล้วสรูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกรูปตั้งชื่อและปัญญิรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่า ได้มีแล้วหรือจักมีในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการคือหลักภาษาหลักการตั้งชื่อและหลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมูเป็นวินยูชนคัดค้านแล้ว ภิกษุทั้งหลายแม้ชนชาวอุกะละชนบทกับชนชาววัสพัญญะชนบททั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีอาเหตุกักวาทะคือลัทธิปฏิเสธเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นผู้มีอกิริยาวาทะคือลัทธิที่ถือว่าการกระทำทุกอย่างไม่มีผลทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเป็นผู้มีนัตถิกวาทะ หมายถึงลทัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองทั้งสามพวกนั้นก็ได้สำคัญว่าหลักการสามประการคือหลักภาษาหลักการตั้งชื่อหลักการบัญญัติไม่กวรติเตียนไม่กวรคัดคา้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษและถูกคัดคา้าน ข้อนี้หมายถึงหลักสามประการนี้เป็นความจริงและเป็นหลักธรรมชาติที่ใครคัดค้านไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไฟเป็นของร้อนไม่ว่าจะถือลัตทิไหนก็จะไม่คัดค้านหลักนี้ว่าไฟเป็นของร้อนเพราะถ้าใครคัดค้านก็จะถูกติดเตียนนินทาถูกคัดค้านได้โดยชอบธรรม อรหันตวักอวดว่าด้วยพระอระหันตุปาธิยะมานสูตรว่าด้วยผู้ยึดมั่นขันสมัยหนึ่งรักภูมิพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุ่มสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้โปรดแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปบำเพ็ญเพียรแต่ผู้เดียว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อยึดมัน่นในที่นี้หมายถึงยึดมั่นด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิบุคคลเมื่อยึดมั่นก็ถูกมารผูกไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปภิกษุนั้นกราบทูลว่าเข้าใจแล้วทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อยึดมั่นรูปก็ถูกมารผูกไว้เมื่อไม่ยึดมัน่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ถูกมารผูกไว้เมื่อไม่ยึดมัน่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วภิกษุ เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างยอ่อโดยพิสดารได้ดีแล้วครั้นภิกษุนั้นจากไปไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์องค์หนึง่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอนันตกนิยสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสวัสดีภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากอโปรโดให้แสดงธรรมโดยย่อเพื่อจะหลีกไปบาเพ็ญเพียรแต่เพียงผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุสิ่งใดไม่เนื่องด้วยอัตตาเธอพึงลักความพอใจสิ่งนั้น ภิกษุนั้นกราบทูลว่าได้เข้าใจข้อความนั้นโดยละเอียดแล้วดังนี้คือรูปไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพึงลักความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพึงลักความพอใจในวิญญาณ น, นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสยืนยันว่าภิกษุนั้น เข้าใจข้อความโดยย่อได้พิสดาลดีแล้วภิกษุนั้นหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายรัชนียสันติตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่จูงใจให้กำนัดพระผู้มีพระภาค ตรัสแสดงธรรมโดยย่อแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ว่าภิกษุสิ่งใดจูงใจให้กำนัดเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นภิกษุนั้นกราบทูลตอบว่าเข้าใจเนื้อความอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเป็นสิ่งจูงใจให้กำนัดข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้น เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งจงใจให้กำนัดข้าพระองค์พึงลักความพอใจในวิญญาณ น, นั้นพระผู้มิพระภาคตรัสว่าดีแล้วภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วต่อมาไม่นานภิกษุนั้น ได้ลีบไปบำเพ็ญเพียรแต่เพียงผู้เดียวไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายราธัสสูตรว่าด้วยพระราธาัเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธัเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหังการคือทิฏฐิจึงจะไม่มีมะมังการคือตันหาและไม่มีมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน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 สังขาญเราใดเหล่าหนึง่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่งก็เช่นเดียวกันพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราธักเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุใยในกายที่มีวิญญาณนี้ และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกท่านพระราธานั้นต่อมาไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอระหันต์ทั้งหลายสุราทัพสูตรว่าด้วยพระสุราทักเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสุราทะ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงจะปราศจากอาหารการมมังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะคือความถือตัวด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้ว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 ในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พิจารณาเช่นเดียวกันควรพิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นสุราทัเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงจะปราศจากอาหางกมมังการมะมัังการและมานานุสัส ในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมาณนะด้วยดีสงบประงับหลุดพ้นดีแล้วท่านพระสุราตนนั้นไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย